ไม่ใช่มีแค่กรรมไม่ใช่มีแค่อาวิชาเนาะยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาเน อ, อภาษาในปัจจุบันนี้นะจากขุสัมภาษาเป็นเตอรเหล่านี้นะเออเป็นปัจจัยของจักขคุ ญ, ญาณเนี่ยการประชุมของธรรมสามประการเป็นปัจจัยเกิดจากขุ ญ, ญาณเนี่ยเออเพราะภาษานี่เองนะโอ้ภาษาเนี่ยถ้าแสดงภาษาที่บอกว่าพูดอาจารย์บอกแสดงแบบอะไรเนะียที่บอกว่ามีทั้งวิ มีทั้งลักษณะตั้งแล้วก็มีทั้งในรักหนังการจําแนกใช่ไหมเปิดเผยเพราะเปิดเผยใ น, นคือครั้งแรกพระเจ้าเปิดเผยอนี้คือจากขุญญานนะเพราะเปิดเผยตูมกข้ไปอ๋อจากขุญยานนั่นเขากระจำแนกใช่ไหมเปิดเผยพวกก็จําแนกจําแนกว่าจากขุญยานเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยนะจากขุญญานเนี่ยเป็นเป็นนามธรรมนะเป็นจาก เป็นวิญญาณนักขันเป็นมานายตนะเป็นจกักรุญญาธาตุโอปราศจากเริ่มเลยนะเรื่องการจำแนกแหละเรื่องการจำแนกเรื่องการแจกแจงนะที่จำแนกแค่นี้สัตว์บางพวกโอ้โหทะลุทะลวงเลยเนาะแต่สัตว์ประเภทในญาบุคคลปทัพปรมะต้องทำให้พิสดารเหมืนั้นนะท่านก็ใช้แบบประเภทที่ว่าเปิดเผยไม่พอจำแนกนะท่านใช้คําว่าทําให้เป็นไปทําให้เป็นไปก็คือการจำแนกทําให้พิสดารยิ่ง ทำให้พิสดานก็บอกว่าเออจากคูวิญญาณเนี่ยนอกจากจะมีอวิชชาตัญหกรรมเป็นปัจจัยเป็นเหตุแล้วยังไม่พอยังมีภาษาแล้วก็คือการเกิดขึ้นของจากคูวิญญาณเป็นต้นแค่นั้นไม่พอเนาะจากคูวิญญาณยังต้องอาศัยปัจจัยอีกเยอะจากคุ่ภาสาเออต้องอาศัยจากคู่ภาษาโดยความเป็นปุเรชาตปัจจัยเออจากคู่ภาษาเกิดมาก่อนตั้งอยู่ยังไม่ดับไปเป็นที่ตั้งอาศัยของจากคูวิญญาณ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 ยังเป็นวัตถุปเรชาตะวิปยุติโอเข้าเป็นวิประยุติกัะ น, น้ำเลยเนี่ยนะก็ไปพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มเห็นกระแสก็มีจักคูปุเรชาติทิยังมีอยู่นะจักคูปุเรชาตวิขตตก็ว่าไปตามลําดับนี้นะวัตถุปุเรชาตะวิขิตเนี่ยก็ไล่ไปตามลำดับโอ้นี่เริ่มเห็นปันจจัยนะทีนี้นอกจากจักคูเนื้อเขามีปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะสำหรับบุคคลที่ต้องการความวิจิตมากขึ้นนะวะต้องวิจิตไม่เข้าใจก็นี่เขามีสมยุตตปัจจัยเยอะนะ มีเวทนาขัานเกิดร่วมเขามีวิญญาณนะมีสังขารขันเกิดร่วมมีสัญญาขัานมีเวทนาอยู่ในนั้นด้วยเบ็ดเสร็จโอ้ยสมัยุทธธรรมของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าถามอย่างนั้นนะียังบอกว่าเออถ้าเริ่มอย่างนี้เข้าใจแม้ตัวจักขูวิญญาณก็เป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยและจักขูวิญญาณนั้นเป็นเห็นรูบารม์ไปรู้รูบารม์รูปบารม์ก็เกิดจากกรรมก็มี รูปารมณ์ที่เกิดจากจิตก็มีรูปารมณ์ที่เกิดจากอุตุก็มีรูปารมณ์ที่เกิดจากอาหารก็ดีเออเกิดจากสมุทฐานทั้งสีนะที่รูปารมณ์ที่จากกุิญญาณเห็นนั้นรูปารมณ์ก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยจากกุญา์ก็เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยอยเลยใช่ไหมอย่างเช่นคนบางคนยิ้มแล้วเราก็เห็นรูปารมณ์นั้นบุญนั้นอ๋อจากจากจิตเป็นเป็นปัจจัยก็ได้ไหมรูปอารมณ์ชิ้นนั้นเน่ยวัตถุชิ้นนั้นน่ะและในขณะาเดียวเกิดจากกรรมก็ได้ บางคนโนาาอ้หหน้าตาเศ้ามองบางคนหน้าตาเปร้วพกไอ้ผ่องแผ้วอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จากอาหารบางจากอุตุความเย็นความร้อนก็เริ่มเห็นปัจจัยทั้งสองส่วนถามว่าพอไหมใช่ไหมถ้ายังไม่พอก็เชื่อมโยงบอกว่ามีจักรคู่สัมผัสสะเป็นปัจจัยอมาเชื่อมโยงท่านบอกว่าทําให้วิจิตขึ้นไปคือท่านยกอุ ป, ปมาบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายไม่เห็นจกักรคูไม่เห็นจักรคู่อินทรีเป็นของร้อนเธอเชื่อมไปหาจักรคูสัมผัสสะ ให้เห็นภาษาเป็นของล้อนนะ่ะท่านอุปมาเมโคอถลกหนังออกมาเลยนี่เอาอุปมามาแล้วอยากไม่เห็นนี่นะักอุปมาโตมเลยใช่ไหมถลกหนังเมโคเนี่ยภาษาเป็นอย่างงั้นแหละดังนั้นนะี่ยเจ็บปวดอย่างงั้นแหละก็ภาษาที่เป็นสังขารละขันเกิดร่วมกับจักรคุญญาญยังปวดเจ็บปวดขนาดนั้นจักรคุญญาญจะเหลือหรือเนี่ยนะก็ไหลเป็นของร้อนขนาดไหนกะ็ไหลไปทําลําดับก็มีอุปมาตามมาเยอะเลยนีเดียนะนั่นแหละคือการชักอุปมามา นั่นคือพระพุทธเจ้านั้นชํานาญในนิโรติปฏิสัมิธาด้ว ย, ยการอย่างนี้นะเราก็แทงตลอดโอ้โหเห็นด้วยความเป็นทุกข์เลยแต่นี้เบื่อหน่ายในะจากจากขูวิญญาณจากขูสัมผัสสะเลยแตนี่นะก็เริ่มเบื่อหน่ายนี่เริ่มมองเห็นใช่ไหมนี่จะไปลักษณะมุมอย่างนี้แต่โลภขันพระองค์ก็นู่นแหละบุตรภรรยาสามีภรรยากินเนื้อบุตรนี่แหละก็ยกมาแล้วถ้าพกจากขูวิญญาณนั่งหลายก็ โอปปามาไอตัววิญญาณนขันนั่นแหละต่อปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณยังไงใช่ไหมเหมือนกับเหลาอย่างไงเป็นหรือว่าตัวพวกโกกรรมทั้งหลายเนียท่านก็โอปปามายังไงเหมือนจับลงในหลุมฐานเพิงเลยจับโดดลงโดดลงเลยนะเป็นต้นอะไรเนี่ยก็ก็ไล่ไปทำลำดับนี่ท่านก็จะชักโอปปามาอย่างเงี้ยนี่คือการแสดงธรรมของพระเจ้าที่ถึงพร้อมในอัฏฐะและไปยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง จึงไม่มีความจําเป็นในการที่จะไปล อ, อุปมาอย่างอื่นหรือจะไปเอาไปไปบัญญัติอย่างอื่นเลยนะเพราะบริบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่เราเชื่อมโยงสูตรให้ได้นะถ้าคุณเชื่อมโยงสูตรต่างๆมาแปะกันไม่ได้เนี่ยคุณมีปัญหาในการไขข้อวึ้งเลยนี่บัดน่อันนี้ก็เป็นไปด้วยการอย่างนี้พร่อมองเห็นเนาะนี่ไปได้ไหมถ้าอย่างเนีเนเ้โอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่ไหวโ ย, ยงเลยนะ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 ไม่ค่อยให้ความสําคัญในอารมณ์ถ้าสิกขาสามเดินแล้วจกไม่ลุ่มหลงในลมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันะอาจารย์มาจะเน้นตรงนั้นถ้าไปเน้นว่าแม้เน้นปัจจุบันแต่คุณมันจะการผิดปัจจุบันคุณก็พลาดอาจมาเน้นตรงนั้นเลยนะเพราะเน้นตามพระธรรมคําสอนเพราะในพระธรรมคำสอนไม่ได้เน้นตัวอารมณ์เน้นสิกขาสามก็เลยก็เล ย, ก, เลยก็เลยจุดต่าง ทั้งทังทงเรื่องเดียวกันมานั่งคุยกันละมุมกันอยู่เนี่ยเนี่ยหันหน้าคุยกันแนละ้วไม่มีปัญหาแต่ว่าปรับความเข้าใจตามพระธรรมของพระทเจ้าได้แต่โอนเอียงออกจากพระธรรมของพระเจ้าไม่เอาเฮ้ยในราารตรงนี้นี่หลักการตรงชัดเนี่นี่ยหลักการนี้ตรงชัดพระพุทธเจ้าว่าไงว่าตามท่านไปอัตถกาธีกาแว่าไงก็ตามท่านาน่สบายเนี่ยอันไหนที่ไปขัดพุทธพจน์เราไม่เอาไม่เอานเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เออสบายใจเนี้ย ตีก็